ขอให้ตังใจฟังอตมาจะแสดงธรรมเทศนาในเรื่องวิปัสนาคือการพิจารณาตัวตนของเรานี่แหละซึ่งตกอยู่ใต้อบนาจ ของความไม่เที่ยงคืออนิจจังทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนาตตาความไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าอันนี้ของเราส่วนนี้คือเราส่วนนี้คือของของเราทุกอย่าง ไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองก็ตกอยู่ใต้กฎใต้ลักคือลักษณะสามอย่างนีเสมอกันมดที่ไม่มีใจครองก็ต้นไม้ภูเขาพื้นดินพื้นน้าไม่มีใจครองไม่มีใจครองก็ไม่เที่ยเป็นทุกเป็นหนะ้าตาเหมือนกัน ที่มีใจครองสัตย์รสารมนุษย์ก็ตกอยู่ใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แต่สลายไปคือตายไปเราจะเห็นว่า ตัวตนของเรานี้เราว่าเป็นของเราจริงๆนึกว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนั่นแหละเป็นของเราแท้ๆเป็นของเราที่สุดต้องยอมรับว่าความจริงอันนี้นก็เป็นการถูกต้องอยู่มันก็เป็นของเราดันแหละถ้าสมมุติโลกนะโลกบัญญัติราษ นี่ตัวตนอันนี้ร่างกายอันนี้แขนขาอันนี้เป็นตัวของเราแต่พระพุทธเจ้าให้เข้าใจลึกไปกว่านั้นอีกเรียกว่า บ, บัญญัติธรรมตาก็ดีหูก็ดีจมูกปากลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดถือว่าเป็นของเราจริงๆ จ, จังๆไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปมันไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอยาป่วยนะมันก็ป่วยอยาตายนะมันก็ตายเราจะเห็นแล้วความตายเกิดขึ้นกับ ญาติพี่น้องหรือสามีอของเราหรือภรรยาของเราที่ตายต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละเห็นชัดเลยนั่นแหละเราจะว่าเป็นของเราได้ยังไง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปเหมือนน้ำค้างบนใบบัวท่านว่าพอถูกต้องแสงอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปนั่นเหมือนน้ำในรอยเท้าโคฝนตกลงมาขังอยู่ในเท้าโคไม่นานก็เหือดแห้งหายไป เหมือนคื้นกระทบฝั่งดังพัวเป็นฟองขึ้นมาอันหนึ่งก็แตกสลายไปเปรียบเทียบข้างนอกแล้วก็มาดูข้างในคือตัวของเราตัวเรานี่แหละดูเข้ามาในตัวของเราเนี่แหละผมเป็นของเราไหม สอนผมออกขนเป็นของเราไหมเอาขนออกหนังเป็นของเราไหมเอาหนังออกเนื้อเป็นของเราไหมเอาเนื้อออกเส้นเอ็นทั้งหลายเป็นของเราไหม เอาเส้นเอ็ดเหล่านั้นออกตับไตไส้พุงเป็นของเราไหมเอาออกออกวางไว้เป็นจุดๆเริ่มตั้งแต่ผมกนเล็บฟันเนื้อหนังมังสาทุกส่วนทุกอย่างเอาออกจากกันไปวางไว้เป็นจุดๆ ที่เหลือก็คือกองกระดูของเราอันสมมติโลกก็ว่าของเราแต่เมื่อพูดถึงวันหยัดธรรมหรือความจริงแล้วมันไม่เป็นของเรามันต้องแตกสลายตายดับลงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามเรื่องธาตุไฟก็ดับไปธาตุลมก็หมดไป เหลืจะธาตุดินธาตุน้ำเกสาโลมาหนะะ้าขาทันตาตะโจตะโจทันตานะะ้ขาโลมาเกสาหน้าขาเป็ว่าเลีบทันตาเป็ว่าฟันตะโจเป็ว่าหนังเกสาเป็ว่าผมโลมาเป็ว่าขนสิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกปฏิกูลโสโคร ให้พิจารณาเอาไปอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นมาโอ้มันเป็นของผสมผสานปฏิกูลโสโครกจริงๆนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วมันยังเป็นของสมผสาปฏิกูลโสโครกถ้าไม่เชื่อก็ลองต้มเนื้อต้มกระดูกคนให้ให้กินดูสิอย่างยกตัวอย่างพวกนี้เช้าแหละต้มกระดูกคน ใครไปดูก็ได้ไปเห็นก็ได้กระดูกคนเราจะกินลงไหมไ ม, ม่ใครกล้ากินหรอกนี่แหละความกิงอันนี้มันเห็นชัดเจนเป็นของโสโปกปฏติคูลก็เห็นชัดดูเข้ามาที่ตัวของเราเนี่ย มันสปกปรกทุกส่วนเลยนอกจะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาแล้วยังเป็นของสกปรกปติกูล ด, ด้วยดูส่วนไหนก็สกปกหนังก็เป็นของสกปกเนื้อก็เป็นของสุปกปรกตับไตไส้พุงก็เป็นของสกปกเส้เนเอ็นก็เป็นของสกปกกระดูกก็เป็นของสกปกอืม เราเห็นชาติปั่นนั้นเนี่ยที่นาเข้ามาที่ตัวของเราเนี่ยเราก็จะเห็นชาติลงไปในตัวของเราเนี่ยหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใ น, นกระดูกม้ามตาปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาอนรเก่าไม่มีสิ่งไหนที่จะไม่สกปกเลย ไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันอยู่ใกล้กันไม่ได้หรอกมันมีกลิ่นไม่ต้องถึงกับเปื่อยเน่านะถ้าเปื่อยเน่าอย่างสนิดที่เป็นขี้โทษอย่างยกตัวอย่างเป็นขี้โทษผิีวหนังนี่เปื่อยไปหมดตามมือตามอะไรเปลื่อยน้าลังเกียจมาก มีศรัทธามาตักบาตรพระเมือปเป่อเปื่อยๆน่ะพระก็ขยะกขยงแงน้อยบางทีก็อาจจำไว้เลยนะโอ้นี่ก้อนนี้เป็นก้อนที่คนขี้ทูดใส่ ดูสิมันมันโฉกโกขนาดไหนมันโฉกปกขนาดนี้แหละขนาดที่เห็นแล้วมองดูแล้วขืนไม่ลงเลยแหละถ้าเป็นข้าวเป็นอาหารก็ได้ขื่นไม่ลงนี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเนี่แหละ พูดเรื่องคนอื่นก็คือนอกไปแต่ว่าน้อมเข้ามาที่ตัวเรานี่มันก็โสโครกปฏิกูลโศกโคกหมดทุกสทุกส่วนทุกอย่างนั่นแหละไม่ว่าส่วนไหนที่จะไม่โสโปรกไม่มีหรอกฟันก็โสโปรกกินปากกินฟันก็โสโปรกสีฟันยังไม่ถึงแปลงฟันยังไม่ถึงชั่วโมงอาเน่ย มีกลิ่นปากแหลวเชื้อแบคทีเรียทำหน้าที่กินของหวานเข้าไปฟันก็แปรงมายังไม่ถึงชั่วโมงมีกลิ่นแหละนั่นมันสกปรกไหมล่ะสกปรพกพอพูดออกมาก็ได้กลิ่นปากแหละจะหันหน้านี้ก็ใช่ที่ก็ทนเรา นั่นแหละคุยกันอยู่พอทนเอานี่คือความจริงที่เห็นชัดๆพินาเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงพินาเห็นความเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้พิาณาเห็นเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่คือเรานี่คือของเรา พี่นาให้เห็นเป็นอสุภะปฏิคูณสกาโภคโสโคกเราก็พี่นามลงมาที่ตัวของเรานี่เองดูตัวของเรานี่แหละความไม่เที่ยงกับตัวเราไม่เที่ยงเราดูสิตั้งแต่เกิดมาเกิดมาจากคันมารดา ตั้งแต่จิตดวงแรกที่มายึดถือเอาก้อเลือดค้อนเนื้ออันนี้เลื้อยมาจนสามเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็ข้อจากคันมารดามาพ่อแม่มีเมตตาเลี้ยงดูเอาไว้ไม่ทิ้งหาเครื่องอุ่นเครื่องอะไรให้ตัวแรง พูดก็ไม่เป็นฝันก็ไม่มีเลี้ยงดูมาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากเด็กเล็ ก, ลกทารกก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเดินได้ยืนได้วิ่งได้ต่อมากอายุเดขวบแปดขวบเก้าขวบ ต่อไปก็อายุยี่สิบสามสิบมีครอบมีครัวมีกั ว, ม, วมีเมียไล่ไปเรื่อยจนถึงอายุห้าสิบหกสิบเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยเริ่มไม่สบายตัวแนละ้ทีนี้เป็นนั่นเป็นนี่ แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าจะมีโรคอย่างนั้นโรคอย่างนี้มันก็เกิดขึ้ น, นกับเราเห็นแต่คนอื่นเป็นเห็นแต่คนอื่นตายพอมาถูกกับเราเราก็รู้แล้วมันอยู่ดีๆก็เหนื่อยก็เมื่อยก็ลาบากกายลาบากใจขึ้นมาแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ด่างใจคิดอะ้รอายุหกสิบเจ็ดสิบเหนื่อยเมื่อย แปดสิบเก้าสิบร้อยปีตายตายตายแล้วเอาไว้บ้านก็ไม่ได้เอาไว้สองคืนสามคืนก็พอเอาไปเผาทิ้งไปเผาแล้วก็ไม่เหลืออะไรเป็นฝุ่นเป็นถ่านส่วนเนื้อหนังที่เป็นส่วนไม่แข็งก็ เป็นเท่าเป็นฐานไปส่วนกระดูกก็เป็นฐานที่เหลือก็เป็นเท่านี่แหละจะยึดอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราล่ะเราจะยึดเอาตรงไหนว่าเป็นตัวตนของเรา หนังเราก็ยึดเอาไม่ได้เนื้อก็ยึดเอาไม่ได้แม้แต่กระดูกเผาไฟแล้วก็ยังเหลือน้อยนิดเดียวไปแล้วจิตไปตั้งแต่ตายครั้งแรกนอนไปแล้วไปสู่พบภูมิใหม่แล้วแต่กาย น, นี้ก็ถูกเผาถูกฝังตามเรื่อง แต่เป็นศาสนาคริสต์ก็ฝังรอพระเจ้ามาเอาน้ำทิ่มาหยดใส่แล้วก็กลายเป็นคนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ความเชื่อถือของทางนั้นแต่พวกเราก็เผาทิ้งถ้าเก็บไว้ก็ไม่น่าดูเผาทิ้งไปเก็บกระดูกเอาไว้ แต่ถ้าไม่เก็บเอาไว้เอาบทดีๆบททั้งกระดูกไนะห้เป็นละเอียดไปเลยาาาเท่าฐานก็บทให้ละเอียดไปเลยเอารวมไว้ในถาดสลาดขึ้นฟ้าควนขโมงเลยตัวเราอยู่ไหนบันหาไม่เห็นเลยที่เราฝุ่นคุ้งอยู่ ส่วนไหนเป็นตัวตนของเราล่ะไม่มีเลยไม่มีส่วนไหนเป็นตัวตนของเราเลยจิตวิญญาณของเราก็ไปแล้วสู่พ่อภูมิใหม่ตามนาฏบุญบาปเลยทำบุญไรก็ไปสู่สุขติสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทำบาปไว้ก็ไปสู่อบายภูมิ ไปเป็นจดิลสารเปตอสุรกายสันนรลกนรกก็มีแปดขุมชั้นสีวนรกกาลสุตานรกสังฆาตนรกโลลวนรกมหาโลลวนรกตาปนรกมหาตาปนรกอวิจีมหาานรก แปดขุมพอดีอเวจีลึกที่สุดร้อนแรงอเวจีแปลว่าไม่มีระหว่างความทุกข์ไม่มีระหว่างเลยไม่มีหยุดว่าเท่านั้นเท่านี้พักเอ่อพักเหนื่อยพักเมื่อยไม่มีอืมมีแต่ร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาไฟในมหานรกนั้นเอามา กองไม้มาในป่านี่ตัดมาหมดแลลวเอามารวมเท่าสาาหลังนี่แล้วเอาพระผู้มีฤทธิ์หยิบเอาไฟจากมหานลกไอ้ ก, มมกีมหานลกขึ้นมามาใส่กองฟืนกองไม้ที่ เป็นๆอย่น่ะเท่าแสงหิ้ห้อยนี่เอาใส่ปั๊บเข้าไปเท่าแสงหิ้ห้อยน่ะไฟไม้กองไม้พิษตาเดียวเป็นถเน ถ, า, เนถาหมดเป็นเท่าเป็นฐานมดเลยหายวนั่นคือความร้อนแรงของอวิีมหานรก ผู้ที่จะได้ไปมหารลกขูมนี่ต้องทำบาปไว้มากฆ่าบีดาฆ่ามารดาทำร้ายพระพุทดธดเจ้าให้พระโลหิตท่อฆ่าพระอระหันต์ทำสงฆ์ให้แตกสามัคคีกัน ถ้าเราทำบาปห้าทางนี้เราก็ไปสู่อวจีมหาโลกได้เลยหรือทำบาปเป็นอาจินท่านฆ่าสัตว์เป็นอาจินอันนี้ก็ไปสู่อวจีมหาโลกได้แต่ว่าแน่นอนที่สุดคืออนรัรตฤกกรรมห้าที่ว่ามาแล้วฆ่าบิดาฆ่ามันดาฆ่าพาระรหันทำลายพุทธเจ้า อย่างสุกให้แตกสามัคคีกันอันนี้แหละไปสู่อบายภูมิภูมนี้นารกณ์มนี้อวิีมหารลกนี่นานที่สุดอายุตั้งหนึ่งอันตรกรับนะ่ไม่ใช่ร้อยปีพันปีสันชีวานรกอายุก็ ห้าพันปีนโลกวันหนึ่งคือหนึ่งในสันสีวันรกเท่ากับละเก้าล้านปีในมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของสันสีวันโลกเลยเท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์แต่ในโลกกลุ่มแรกนี่คือสันสิวันโกนี่มีอายุยืนอยู่ห้าพันปีในโลกวันหนึ่งคือหนึ่งของสันสีวันโลกนี่ เก้าล้านปีในมนุษย์จิกเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันสีวานรกถ้าไปตกนรกคุ้มแรกนี่ก็นานแสนนานแล้วทุกทรมานในนรกนั้นสันสีวะไปว่าตายๆเกิดๆ ก, กรรมให้ผลตายไปถูกต้มถูกเปยต่อตายไปก็ฟื้นขึ้นมาอีก ถูกต้มถูกเปื่อยจนไม่มีอะไรเหลือก็ฟื้นขึ้นมาอีกกับเป็นกับตายงั้นเรกว่าสันสีวันโลกเป็นก็ทั้งเป็นทั้งตายแหละกับเป็นกับตายอยู่ตลอดเรียกว่าสันสีวันโลกเธอทำบาปทำกรรมไว้มากทำชั่วไว้มาก ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาไว้ใจเราจะไปถึงสุขถึงความเจริญได้ที่ไหนก็ไปไม่ในนรกนั่นแหละตกต่ำไม่ไม่เจริญไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าสร้างสมกุศลคุณงามขอบดีนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมอันนี้ได้ไปสู่สุคติสวรรค์ สวรรค์ก็มีหกชั้นสวรรค์ที่กิจของผู้ทธิธรรมดีตายไปแล้วหนะ่อไปสวรรค์แต่ถ้ายังไม่ได้ไปสวรรค์ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขกิจใจสบายเบิกบานแจ่มใสมีความสุขความเจริญ ทำมาหากินอะไรก็เกิดมั่งมีสีสุขเกิดลำรวยหาเงินหาทองอะไรก็คล่องดีพาอบุญกุศลเขาให้ผลทำอะไรเกิดดีมดเจริญมดไม่พอได้ก็ได้ไม่พอมีก็มีเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลให้ผล รักให้ทานถ้าเกิดทรัพย์สินสมบัติมากหมายไม่อดไม่อยากไม่ขาดข้องด้วยทรัพย์สินสมบัติข้าของเงินทองเพราะเราได้ทําทานไว้รักษาศีลคือรักษาความดีของเราไม่ให้มันสูญสิ้นไปศินห้าสินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ด รักษาไว้เมื่อรักษาไว้ความดีก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจทำตามคาสอนพระริจ้า่นั่นแหละรักษาศีลความดีก็จเจริญขึ้นจิตใจก็สูงส่งขึ้นความสุขทางใจก็มีขึ้นอพอมีศีลมันก็หนุนขึ้นไปให้มีสมาธิไป อย่างที่เราฝึกอยู่นี่เราหัดสมาธิทําสมาธิสมาธิวิปัสนาวิปัสนาก็คือพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่คือวิปัสนาเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตาย ความพัดภาคนี่ก็เป็นมิปัสฐานะเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเก็บความตายของตัวเราเองของคนรอบข้างเราอหรือษามีภัญญาของเราอย่างนี้แหละมันเป็นดังนี้เราทําบุญทํากุศลสร้างสมความดี ให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญภาวนาคือขัดสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยแหละเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราให้ทานร้อยครั้งพันครั้งสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งพันครั้งสู้ทำจิตให้สงบครั้งเดียวไม่ได้นั่น ประกาบันฑิตานว่าไว้ให้พิจารณาลงไปในจิตของเราอันแหี้ถ้าจิตมีความดีมันก็มีความสุขมีความสุขสูงส่งมันเจริญมันก้าวหน้าทำอะไรอยู่ก็มีความสุข เดินอยู่ก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขในสวรรค์ในภพมโลกในนิพพานสวรรค์ที่จะต้องไปก็มีอยู่หกชั้นชั้นแรกสันจารุมสวรรค์สั้นจารุมสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึง ดาวดกษ์นี่มีอายุอยู่พันปีทิบอายุร้อยปีมนุษย์เนถ้าเทียบเวลาในสวรรค์ชั้นดาวฤดึ์แล้วเท่ากับหนึ่งวันวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ถ้าเทียบเทียบอายุมนุษย์แล้วก็ได้ร้อยปี ร้อยปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์สันดาวดึงก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยอายุของเทวดานะจาตุมดาวดึงยามาดุสิตานิมานราดีปริมิตาสวดีนี่สวรรค์มีอยู่หกชันช้นสวรรค์ชั้นสุดท้ายเป็นที่อยู่ของ มารส่วนหนึ่งของไม่ใช่มารส่วนหนึ่งคนทำทั้งดีทั้งชั่วทำบาปทำกรรมทำนิติเตียนพระสง์องค์เจ้าตายแล้วไปเป็นไปตกนรกพ้นจากนรกมาก็ไปเป็นเทวดาเพ่าบุญมีอยู่ ไปเป็นเทวดาเทวดาวก็มันได้เป็นฝ่ายมนุษย์นะไม่ใช่ฝ่ายฝ่ายดีนะไม่ใช่ฝ่ายเทวดาที่ดีในขณะเป็นมนุษย์ก็ททำทั้งบุญทั้งบาปนะ่ะแต่ว่าตำหนิพระสงกองค์เจ้าขัดขวางการทำดีของคนอื่นตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ ชั้นปรินิพพตสวัสดีขอเป็นมารคอยขัดขวางคนอื่นในการทำความดีนิระมานไปนอย่างนี้แหละส่วนเทวดาที่ดีก็ทก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งสวรรค์ชั้นนี้มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายมารกับฝ่ายเทวดา อันนี้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ทําความดีในมนุษย์ที่ตายแล้วกิดก็ไปสู่สุคติสวรรค์สร้างสมคุณน้ําความดีไว้ในไปสวรรค์ถ้าทําดีไว้มากตายแล้วก็ไปสู่พรห ม, มโลกเนื้อจากสา ร, รุนเป็นพรห ม, มโลกถ้าได้บรรลุมรรคผล เป็นอนาคามีก็ไปสู่สไปสู่พมโลกชื่อสุาาทาวาสอวิหาตปาสุทัศตุสัศสีกนิถาพมโลกห้าชั้นนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในมนุษย์ได้สำเร็จธรรมเป็นพาาคาอนาคามีตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกไปสู่สุาาทาวาสพมโลกเลย ไปสัววิหารตปาสุทศสุทศสีกนิถาไปอยู่สถา น, นี้มีความสุขความเจริญอยู่จนสิ้นอายุผมในบรรลุเป็นพระละหันสิ้นอายุผมแล้วเก็เข้าพระนิพพา น, านส่วนผู้ปฏิบัติธรรมในมนุษย์สามารถทำจิตให้บรรลุเป็นพระละหันได้ ก็ได้เป็นพระอาริยบุคคลสูงสุดในพุทธศาสนาตายไปแล้วไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปพร ม, มโลกเข้านิพพานเลยกิจบริสุทธิ์แล้วเป็นกิจที่ไม่กลับเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอีก แต่เราผู้ที่ยังไม่พ้นนี่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, ม, มาตายอีกเช่นอย่างสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนี่ทางแนวทางปฏิบัติเพื่อมากรดนีผ่านเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายเนี่ยเรียกว่าเห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์คือสมุทยัยเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเห็นนิโรธคือความดับทุกข์เห็นมรรคคือแนวทางปฏิบัติหรือทางลาเนินไปเพื่อความถึงความเป็นพระอรหรันต์ก็คือมรรคแปดนั่นเองดเวเมพิกเ ว, เ ว, เว อ, อันตาบวชิเตนนเสวิตบาโยจายังกาเมสุกามาสุขนันลิกานโย โ, โคทุโคนาิโยนาตัสนิโต เอเตเตพิกเวโยโพอันเตอนุปคัมมมัชฌิมาปฏิปทานั่นกามาสุขัลีการนโยก็เป็นทางไม่ควรดําเนินอตากิากรปทานุโยก็เป็นทางที่ไม่ควรดําเนินหย่อนยานเกินไปก็ไม่ควรดําเนินเข่งเกินไปก็ไม่ควรดําเนิน มัชฌิมาปฏิปทาคือมรแปดเนี่ยนี่เป็นทางลาเนินทางลำเนินไปเพื่อความพน้นทุกข์สัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรอมเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละว่ามันมีอยู่กับทุกคนอืม ความแก่ความเก็บความตายมีกับทุกคนเกิดแก่เก็บตายมีกับทุกคนเกิดเราเกิดมาแล้วเราก็แก่อยู่ขนาด น, นี้ต่อไปก็เก็บก็ตายอยอนเข้ามาที่ตัวเราเราก็จะเห็นชัดลงไปปล่อยวางความยึดมัน่นถือมั่นได้ ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักทุกอันนี้อีกต่อไปเป็นมนุษย์อยู่ถ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วก็มีความสุขใจเป็นสุขตลอดอ น, นั่นแหละตายแล้วก็ไปสุขถึงพระนิพพานนั่นแหละให้พิจนารนณ้อมเข้ามาที่ตัวนี้ทั้งหมดแหละบรรลุธรรมก็ ใจเราเป็นผู้บรรลุเป็นพระฤยบคุคคลโสดาศิธาคานาคารหันนไม่ใช่กายเราเป็นพระราหันกายไม่ได้เป็นพระราหันอย่างนี้ก็แสดงเหตุแห่งความเป็นพระราหันคือเป็นพระาธาตุหรือเป็นเกศเป็นแก้วเป็นอะไรไปเท น, นั้นเหมือนอธิธาตุของท่านหลวงตามหาบัว เขาถ่ายรูปออกมาแล้วก็ใสงามสวยมากเลยท่า น, นเนี่อธิของพระละหันท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระละหันครูบาอาจารย์ที่เป็นพระละหันทั้งหลายก็มีอยู่เยอะไม่ได้มีหนึ่งสองสามหรอกมากกว่าหนึ่งสองสามอยู่เยอะแยะหลายท่านหลายองค์ ต่างแก่ปฏิบัติที่เป็นโยมอยู่ก็มีในบรรลุแล้วก็เมื่อตายไปแล้วเผาแล้ว ก, กระดูกก็เป็นพระธาตุก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าได้แต่พระหรือเนนหรือแม่ขาวไม่ชีได้หมดผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยได้หมดได้เป็นพระล้านหมดนั่นแหละ ถ้าไม่ได้เป็นตอนนี้เป็นชุดระบเป็นศศรษฐาคาเป็นอนาคาต่อไปก็ต้องเป็นพระละหันพอได้ต้นแล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆดูลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆพิจารณาร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่เรื่อยอย่างเนี้ย พิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงยึดถือเอาไม่ได้ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปครอบครองว่านี่แหละคือตัวตนของเราจริงๆเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆจิตของเราก็คอยใช้ขึ้นใช้ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมันลุกเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันต ที่จะถึงธรรมเหล่านี้ได้ก็มาดําเนินตามมาร์กแปดนี่แหละเห็นความจริงอภิเสธเนี่ยสี่อย่างน เ, เห็นความเป็นทุกข์ในตัวตนของเราความเกิดความแก่ความเก็บความตายมีกันทุกคนเกิดก้อมนุษย์นี่แหะเกิดแก่ก้อมนุษย์นี่แหะแก่ ตายกับมนุษย์นี่แหละตายตัวเรานี่เองเราเกิดเราแก่เราเก็ดเราตายถ้าเราพิจารณาเห็นความจริงก็วางความยึดถือวางความสําคัญนั่นหมายในตัวในตนไม่มีอะไรจะถือเอาได้ก็วางตนเองพอวางก็ถึงความบริสุทธิ์จิตก็ละเอียด เป็นภายาทบุคคลทันทีทีเดียวนี่แหละให้ตั้งแก่ปฏิบัติต่อไป